วันพระที่แล้วนะได้พูดถึงหลวงปู่เสากันตาสีโลซึ่งเป็นปรมาจารย์เลยนะของพระป่าสายอีสานถ้าท่านมีชีวิตจนถึงวันนี้ก็อายุร้อยกกว่าปีแล้วหลวงปู่เสานี่มีสิทธเอกนะที่จริงท่านมีสิทธิที่มีชื่อเสียงหลายท่านนะแต่ว่าที่เป็นสิทธเอกโดดเด่นมากที่สุดก็คือหลวงปู่มั่นนะ หลงป่มั น, นมอบตัวเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่เสาตั้งแต่ยังเป็นคารวาสนะตอนนั้นอายุแค่ยี่สิบแล้วก็ได้ฟังการแสดงธรรมของหลวงปู่เสาแล้วก็คงจะเห็นกิริยาอาจาระของหลวงปู่เสาก็เกิดศรัทธามอบตัวเป็นสิทธิ์อุปถัมจนกระทั่งภายหลังก็เกิดศรัทธานะบวชนะทั้งที่ ตอนนั้นนี่ก็เรียกว่าเป็นคนที่ประสบความสาเร็จในชีวิตก็ว่าได้นะเป็นหมอลำที่มีชื่อเสียงฝีปากดีโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่นี่ชอบมากเพราะท่านมีวิธีการร้องแบบมีจังหวะจากโคนก็เรียกว่ามีลาบมียศมีสารเสรินแม้จะยังไม่ถึงกับ มากมายแต่ว่าอนาคตที่เจริญรุ่งเรืองในทางโลกก็รออยู่แต่ว่าหลวงปู่มั่นน่หรือว่านายมั่นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็เกิดศรัทธาในศา ส, สนาศรัทธาในการปฏิบัติก็เลยบวชบวชแล้วก็ติดตามหลวงปู่เสาไป หลวงปูสาท่านก็ชอบจาริทุดงหลวงปู่มั่นซึ่งตอนนั้นเป็นพระมั่นก็เดก็ตามไปด้วยแต่พอบวชได้สี่พรษานี่เกิดความลังเลสงสัยไม่ใช่แค่ลังเลสงสัยนะในชีวิตการบวชแต่ว่าตั้งใจเลยนะว่าจะศึกหาราเพอเอกไปเลยทีเดียวเพราะว่าคงจะเกิดความ หลงไหลนะในชีวิตทางโลกคิดว่าชีวิตทางโลกเนี่ยมันเหมาะกับตัวเองมากกว่าเตรียมเสื้อเตรียมผ้าพร้อมเลยนะสําหรับการศึกไปเป็นคาราวาร่าและพอได้โอกาสเหมาะก็เตรียมขันพร้อมทูบเทียนดอกไม้เพื่อมาลาศิกขาจากมาลาศิกขากับหลวงปู่เสา ทูปสาวเนี่ยท่านเป็นผู้มีปัญญานะและท่านก็รู้นิสัยใจคอของลูกศิษย์คนนี้ท่านเกิดเลยไม่ได้ทัดทานเลยท่านผู้ว่าเนี่ยถ้าท่านจะลาึกขาผมก็ไม่ห้ามไม่หวงแต่อยากจะขอแนะนำอย่างนึ่งคือว่าการที่คนเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยและได้มาพบพระพุทธศาสนานี่เป็นของยากนี เพรานั น, นยการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยจึงเป็นล่าประเสริฐยิ่งเป็นผู้ชายเป็นลูกผู้ชายได้มีโอกาสมาบวชได้ครองผ้ากาสายะของพระเจ้ามันก็ยิ่งเป็นเรียกว่าโชคอันประเสริฐอย่างยิ่งจึงไม่ควรที่จะละโอกาสอันดีงามนี้ให้ล่วงเลยไปโดยปราบประโยชน์แล้วหลวงปู่สาวก็ พูดต่อไปนะว่าในการบวชบวชปฏิบัติธรรมนี่มันเป็นบารมีของเรานะถึงแม้ว่าเราจะนะไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้แต่ว่าการบวชนะี่าก็จะเป็นการสร้างสมนิสัยนะให้กับเราที่จะช่วยค้าจุนไปตลอดชีวิตเลยทีเดียว แล้วหลวปู่สาวก็พูดว่าเนี่ยนะไหนๆท่านก็จะลาสิกขาแล้วผมก็อยากจะขอร้องท่านนะให้บำเพ็ญเพียรเต็มที่เจวันนะก่อนที่จะลาสิกขานะเพื่อว่าจะได้เป็นการสร้างเสริมบารามีให้เป็นอุปนิสัยเป็นการอบรมบ่มนิสัย ให้ติดตัวไปเพื่อว่าในภายภาคหน้าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามชีวิตก็จะได้รุ่งเรืองสดใสนะแล้วท่านก็ให้คำนะแนะนำเพิ่มเติมว่าเนี่ยถ้าท่านเห็นด้วยเนี่ย7วันเนี่ยให้ถือธุดงควัรนะันเอกานอนใต้ต้นไม้ แล้วก็ประพฤติทำแบบเนสัชิก ค, คือไม่นอนหรือไมอ่ไม่ทอดกายอยู่บนเตียงหรือบนที่นอนอยู่ในอิริบทแค่3มอิริบทนะคือยืนเดินแล้วก็นั่งพระมันเนี่ยนะพอได้ฟังชนี้ก็พล้อยตามนะหลวงปู่สาวก็แค่7วันเท่านั้นเอง นะเราก็ทุ่มความเพียรไปเต็มที่เลยบอกว่าพอทำความเพียร ไ, ได้เต็มที่เดวันเนี่ยเปลี่ยนใจนะเพราะว่าจิตใจได้พบความสงบแล้วก็ได้เห็นถึงความไร้สาระของโลกนะกลับไปเป็นคารว่ามันก็ชีวิตก็ไม่ได้มีน้ำนมเจดีขึ้นอะไรเพราะอะไรแล้ก็ไม่เที่ยงไม่สามารถจะเป็นสาระที่แท้ของชีวิตได้ สุดท้ายก็เลยเปลี่ยนใจไม่สึกนะทั้งที่เตรียมตัวไว้พร้อมแล้วและตอนหลังก็ได้กลายเป็นนะปรมาจารย์ที่สำคัญอีกท่านหนึ่งนะเรียกว่าสำคัญที่สุดรองลงมาจากหลวงปู่เสาเลยแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็จะรู้จักหลวงปู่มั่นมากกว่าหลวงปู่เสาหลวงปู่เสาเนี่ยท่านผู้แนะนำ ลูกศิษย์เนี่ยพร่ำมั่นอย่างเงี้ยเพราะท่านเองก็เคยมีความคิดจะศึกเหมือนกันแล้วก็ความตั้งใจแน่วแน่มากนะอุตสาหคือตั้งใจว่าจะศึกแล้วจะไปเป็นพ่อค้าเนี่ยก็วางแผนเลยนะเก็บข้าวของเครื่องใช้ที่คนมาถวายเพื่อที่จะเอาไปเป็นสินค้านะ ขายตอนที่สึกแล้วไปเป็นพ่อค้าก็จะมีข้าวของเครื่องใช้สินค้าไปขายเรียกว่าวางแผนเป็นหลายเดือนจะเป็นปีเลยนะเรียกว่าจิตใจแน่วแน่มากว่าจะศึกแต่ตอนหลังเนี่ยเปลี่ยนใจเพราะว่าโยมแม่เสียชีวิตแล้วก็มานึกถึงชีวิตของโยมแม่ทึ่ทุ่มเทในการหาเงินหาทองมาตลอดชีวิต แต่สุดท้ายพอตายไปแล้วทรัพย์สมบัติทั้งหลายเอาไปไม่ได้สักอย่างแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่ใส่อยู่ก็ไม่กลายเป็นเท่าทานแบบเกิดความสังเวชขึ้นมาสังเวชในที่นี้คือการรู้สึกการได้คิดนะไม่ได้หมายถึงความหดหู่นะแต่หมายถึงการที่ได้คิดเพราะมีสิ่งกระตุ้นเตือนกระตุ้นเราคือชีวิตของโยมแม่นั่นแหละนะที่ที่ทาให้เห็นถึง ความไร้สาระของชีวิตอย่างคารวะที่มุ่งหาทรัพย์แต่แล้วทรัพย์ก็ไม่สามารถที่จะเอาติดตัวไปได้เลยคือฟังเรื่องราวเรื่องของหลวงปู่มัน่นหลวงปู่สาวนี่ก็ทําให้เห็นเลยนะว่าคนเราเนี่ยในการที่จะมีจิตใจโลเลอ่อนแอมันเป็นธรรมดามากเลยเพราะขนาดคนที่มุ่งมั่นตั้งใจในการ ป, ป, ปฏิบัติธรรมขนาดมุ่งนิพพานนี่ ก็ยังมีความหวั่นไหวเลยนะหวั่นไหวที่จะสึกหาหลาภเพศไปแต่ว่าไม่ยอมแพ้นะไม่ยอมแพ้ได้มีโอกาสฉุกคิดนะไข้ ค, ควนหรือว่าได้ทําความเพียรก็เรียกว่าเป็นการเติมพลังให้กับจิตใจใยดีทําให้กิเลสที่เคยครอบงําหรือความลังแรสงสัยที่เคย กำกับนะจิตใจเนี่ยมันก็อ่อนพลังลงแล้วคนเราเนี่ยก็มีโอกาสที่จะจะเลยงอกงามนะไปในทางที่ดีงามได้ถ้าเราเปิดโอกาสให้กับความใฝ่ดีในใจเราแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าคนเราเนี่ยมันก็ต้องมีบางช่วงบางจังหวะที่อ่อนแอบางทีก็ท้อแท้หรือบางทีก็ลุ่มหลงนะกับ สิ่งกระตุ้นเล้าภายนอกแต่ถ้าเราไม่ไปคล้อยตามมันมากนักนะเราก็มีโอกาสกลับตัวกลับใจได้ใหม่แล้วก็ชีวิตก็สามารถที่จะทยานนะไปยิ่งกว่าเดิมนะเพราะว่าต้องหลวงปู่เสาหลวงปู่ม่นเนี่ยพอท่านเปลี่ยนใจไม่สึกนี่โชีวิตท่านก็เจริญก้าวหน้าในทางทำตา ม, ตามลำดับนะจนกรนทาั่งเรียกว่าเข้าถึงความพ้นทุกข์ได้ คนเราเนี่ยแม้จะเป็นพระ ห, หรือเป็นโยมเนี่ยมันก็ย่อมมีบางช่วงนะของชีวิตที่จิตใจก็เรียกว่าตกต่ำท้อแท้หรือว่าใจที่เคยมีพลังมันก็เกิดฟุ้บขึ้นมาแต่ก็อย่าไปคิดว่าอันนี้เป็นของถาวรมันเป็นของชั่วคราวถ้าเราได้พึดสู้นะมันก็สามารถที่จะเอาชนะ ความฝ่ต่ําหรือชนะกิเลสได้มันเป็นพระเนี่ยความคิดเห็นศึกเนี่ยมันก็มีอยู่เป็นระยะระยะแต่จะเยาวจริงเราจังกับมันมากเป็นโยงกันเหมือนกันนะบางทีเราก็มีความท้อแท้ในวิธีการปฏิบัตินะเกิดความเลยสงสัยในการประพฤติปฏิบัติธรรมเดี๋ยวว่าแต่การเจริญกรรมฐานหรือสมาธิภาวนาหรือบางทีเราก็เกิดความคอนแคลน ในความดีเราจะยังตั้งมั่นในความดีในศีลในธรรมต่อไปไหมมันมีความาลังเลสงสัยหรือมีความท้อแท้ขึ้นมาบางทีจะคิดว่าทําดีแล้วไม่ได้ดีทําดีแล้วคนก็ยังคิดร้ายต่อเราไอ้ความคี่แบบนี้มันพลอยให้เควนะแล้วก็เลยคิดว่าต่อไปนี้กูไม่ทําดีแล้วอันนี้ถ้าใครคิดแบบนี้เนี่ย มันก็เป็นธรรมดาอย่าไปโทษตัวเองที่คิดแบบนี้แต่ว่าอย่าไปคล้อยตามมันนะคิดได้ความคิดแบบนี้เกิดขึ้นได้แต่อย่าไปคล้อยตามมันให้เราตั้งมั่นว่าเนี่ยเออให้เรายืนหยัดในการทําความดีหรืออยู่บนเส้นทางธรรมต่อไปแล้วเราก็จะพบว่าสุดท้ายเนี่ยชีวิตมันดีขึ้นนะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเราคล้อยตามกิเลสหรือความใฝ่ต่ําชีวิตเราก็อาจจะ ประสบความสำเร็จได้หรือความสาใจได้ในช่วงเวลาหนึง่งแต่สุดท้ายก็ตกต่ำเพราะนั่นเนี่ยให้เราตระหนักว่าเนี่ยขณะครูบาอาจารย์นี่ท่านก็ยังมีความหวั่นไหวมีความท้อแท้ในหนทางธรรมนัก็เป็นธรรมดาที่เราจะมีความคิดแบบนั้นรู้สึกแบบนั้นบ้างแต่ก็อย่าท้อถอยนะอย่ายอมแพ้ให้ตั้งมั่นต่อไป แล้วทมก็จะรักษาคุ้มครองเราในที่สุด